มีอะไรสงสัยแล้วมีอะไรบ้างอ่ะอันพระพระวัดฮะพระวัดป่า ตำบลหนองครับอ๋ออ่านว่าอีกชื่อวัดป่าอะไรวัดป่ากันตสีลาวาสทั้งกัน ทางหนังสือขอมาก็เป็นพระอาจารย์ 2,000 บาทเนี่ยเรื่องมีแค่นี้ครับอือว่ามีของโรงมหามา เอาอาจารย์ 100,000 บาทของท่านมีอยู่แล้ว 2,000 บาทเอาสร้างรั้ว 1 1 นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ <ท>ก็ถ้าที่โบอยู่เมืองก็เหมือนกับเหมือนกับที่ผู้ปกุ๋ยใช่มั้ยครับ นี่เหรอครับนี่แหละครับรั้วเนี่ยท่านถามว่าอย่างงี้หือนี่ฮะครับครับโอ้ที่องค์ ที่ครับอะไรอยู่กับตากศรีราชาว่าอ๋อกับตากศรีราชาบ้านคันแท้บ้านก็ น้องสูงกว่าอยู่ต่ออยู่ทางทางนั้นทางนั้นมันสมิทธิ์ปั๊บออกเที่ยวออกเที่ยว <c oughs> เราจะกว่านี้แล้วเราทักอยู่ออกมานะอืมใครยุ่งกับเราไม่ได้จะวัดนักศรีแก้วอยู่ตะวันออกเสียงใต้ไม่ <c oughs> <c oughs> บ้านอยู่ตรงกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเค้าก็อยู่ของเค้าเราก็ <c oughs> นี่แม่เจนัลมีสายนี่มันก็มีมาสะไหวไปด้วยไปเลยไม่หยุดคว้าจะออกจากวัดปั๊บนี่ก็อยู่ทางโน้นเนาะไปแล้วนะวันนี้ไปแล้วนะว่าบอกแล้วเนาะบอกด้วยจ้ะไปแล้วว่าอยู่ ไม่หึกอย่างถ้าเข้าไปแล้วเป็นหึกมากกว่าเช่นเดียวเออไปแล้ววันนี้ไหนอ่ะยังหมดเลยตามนั้นนะถึงจะมาเอาอยู่เหมือนกันนะพอจะมาก็มาแล้วถึงแล้วนะมันก็อย่าตื่นไม่ละแม่งยํามากไม่เถื่อน <coughs> พอเรามาถึงปั๊บมาถึงแล้วก็จะมีเข้าเข้าหูเข้าเจ้าหูหม้อเขาได้เนี่ยเยอะก็มากเนี่ยตอนนั้นน่ะเป็นเครื่องหมายพอเรามาถึงแล้วใครสัก Non je mušоля da. Sedan ne Rabbi, estingi krati și here neисpec je veda. Ne veda xamu, fit kinde se veda�. IdemiIZcji krati dala, hiutan reogdfall je velika. Vse cijetiteANK realнибудь je lah, a Hayır da ver 생al ešte krati. colde dali stare o pre numberedij개�Ke up uh, il kutin dali ale poned je ev naprawdę secundan ilinuje sa problem léo. Čutlali var sam, pokudaliden je sla'眾 medo na i บ้านนี้เราอยู่ต่างบ้านทางนี้ๆไม่ผิด ปั๊บเตรียมของออกเข้าทางนี้เลยนะไปเลยเงียบเลยไปเนี่ยกระเทือนไปหมดแล้วเขาต้องวิ่งมาดูเพราะเพราะอ่ะมา รู้เข้าได้วะนี่ก็แม่นยำไม่หีเก่งมากนะอย่างนี้แหละ <c oughs> มันชมญาณอย่างทราบญาณพระพุทธเจ้ายิ่งเอกนัมมัสสิ 1 ไม่มี 2, mm hmm. ไม 2. ส่วนตรงนั้นก็ท่านก็ไปแล้วจะไปบอกใครแล้วเค้าไม่ค่อย นี่เวลาจะพูดออกเลยแถวนี้เนี่ยบอกว่าเย็นหมดเลยไปแล้วอ่ะนี่เป็นกิริยาๆแล้วมาก็อย่างอย่างมากจะก็นี่นี่มา อบอุ่นเข้ามาอุ่นเข้าไปแล้ววันนี้เย็นหมดเลยเนี่ยค่อยอบอุ่นเข้ามาอุ่นนะพอเนี่ย ก็ถึงแล้วนะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องถามใครหยิบมากกับหุงข้าวอันนี้มาเป็นประจำท่านเพิ่งถามเพิ่งทําว่า <c oughs> ก็เทพวุฒิเทวดาอิ่มพุงพวกเปดพวกผีนี่ก็เต็มมากนะอืมเวลาจิตรวมปุ๊บลงไปนี้ออกรู้สิ่งต่างๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครั้งในเรือนจําในเมืองนั้นมาเนี่ยนายควบคุมผีพวกเขาก็เล่าให้ ก็กรรมมีเงินตํานะนี่แกพูดอย่างชัดเจนบางถ้าติดผีลงไหนมันถึงจําใคร พอเราไปถึงตรและกระบอกโกงๆเลยง 세상ตร 알고 vis kototas no heng Trickle 구�сп earnesthora พวกเราแยりตมา하 trained aby mäetinaampveseran anug kills mabang nong Milk gi Lyakognvasya bodybuilding cultural validation now. Bye kudos Seth Mab Здora the onglaug looks at McDonald Hills, Heng alishutas, Price conquest oflength Alisha handed and downsky, Yes, designing the language th cham Would you thank you to牛 aged documents for both of us. Sk free kirim nich is a surajadct If he will ทางวัดของเขาอยู่ทางด้านนี้เนี่ยถ้าจะมามากทีเดียวว่ะแล้ว <c oughs> แต่เวลาเราไปเราไป 2 องค์เท่านั้นทําเออใช่แล้วองค์นี้ แต่ท่านจะสอนหรือไม่คอยสังเกตไปก็แล้วกันว่างั้นนะองค์นี้แน่แล้วว่างั้นนั่นน่ะที่ <c oughs> เราไปนี้อย่าภาวนานะให้ให้หยุดขาดเลยนะจะเป็นบ้ากับโลกของ มันก็เลยต้องภาวนาแต่ระวังเอาระวังนั้นน่ะแต่ว่าเวลาจะมาเล่าให้ฟังที่ว่าพ่อแม่กูจะมั่นมาให้นายภาวนาน่ะเราจับ ตามหากอืมเราเห็นแต่บุตรสวดาอินผมอยากเกลียดแล้วก็แล้วแต่มันเป็น คือไม่ให้ออกก็ได้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้เอาไปปฏิบัติดูจะมีแต่ออกครั้งนั้นออกครั้งนั้นห้ามเข้าเนี่ยมัดเข้าไปไม่ให้ออกไม่ออก <c oughs> ตอนนี้ตอนจะใส่กันแล้วนะก็บอกห้ามไม่ให้ออกให้จิตลงเราบอกวิธี จากนั้นก็มัดเลยนะเอาข้ามล้วงลงแล้วข้ามให้ออกเอาๆเอาไปถึงขนาดที่ว่ามาเฮ็ดออกเอาเอาให้เด็ดว่าไปน้องออกอีเพราะออกอยู่เด้อนี่ก็ไล่ดงภู <mind. c oughs> <c oughs> บนภูเขากับเนิน 1 ไอ้พวกพระอยู่ตีนเขาโน่นเราสบายๆเนี่ยร้องให้ถึงภูเขานั้นล่ะ ท่านสอนว่ายังไงทําไมไม่ปฏิบัติตามท่านที่ท่านไล่ ความหมดทางไปแล้วทีนี้ก็มายึด ถම් เราแล้วเอาท่านสอนว่าไงว่าอธิณานะท่าน ไหว้ไปทางภูเขาที่เราอยู่อืมว่าไปตรงนั้นพอตอนบ่ายก็ไปฝากกันไปแล้วไปก็ถูกคณนาบีเลยตกลงปันกวาดอยู่นั่น เราก็เลยนั่งกันทั้งมากกว่านี้เองกันก็มานั่งด้วยกันมาเล่าให้ฟังมันใจยอมนี่ว่านั้นจากนั้นเราก็ต่อแต่ก็ ที่สมเป็นนิสัยของตาอันนี้ไม่มีนิสัยของของดูเพราะนี้มันก็ 93 ตําหนองผือ 94 945 96 97 อย่างนั้นสิไปพอ 95 แก 94 ก็อยู่พอ 95 ก็ผ่านได้นี่เพราะงั้นความรู้เนี่ยจริง <c oughs> มาแล้วล่ะเฮ้ยเตรียมหมากเตรียมผู่เลยเพราะอย่างบางทีเรามากลางคืน มาเข้ามาแล้วเวลาถามก็บอกคุณไม่ให้ทําแต่แต่เองจะไม่ค่อยมาละนานๆกว่าจะมาถึงเช่นวันวันพระถ้าธรรมดาเกิดมามีแต่พวกแม่ขี่ก็มาจังหันเพราะฉะนั้นเองจะพูดถึงเรื่องความแน่นยําจะแน่นยํามากเสียวนี่พูดเรื่องอะไรทั้งมากอย่างเงี้ยหึ เลยไปใหญ่อ่ะนะวัดที่น้องสูงเออเออวัดที่น้อง 2,000 บาทครับเอาว่าแย่เอาเอาเข้า ทางหลวงตามหาบัวยานกัปปโนเนื่องจากจะขออนุญาตสร้างกำแพงรั้วยาว 132 เมตรเพื่อกั้นสัตว์เลี้ยงเอ่อกั้นสัตว์การสัตว์เลี้ยงโอ้ อ่ะภาพถ่ายมาเพื่อเอ่อเมตตาอนุมัติหากท่านหลวงตาห้ามก็ไม่ทําฮะ ท่านมีเงินอยู่ 20,000 แน่นอนครับเนี่ยท่านมี 2,000 แล้วนี่ได้ 50,000 นั่นจะขอเราแสนนึงท่านมีเงินอยู่แล้ว 20,000 โอยน่าสงสารเนี่ยให้ไม่ ถ้าไม่ไม่ยัดแล้วจะให้ยังไงเงินเออจะกู้ 100,000 บาทก็จะให้แสนนึงครับแต่ว่าไงจะมีเงินอยู่ 200 บาทกระดงตาอย่างนี้แหละพี่มา 1 มันได้ออกอยู่ด้วยขนาดเจ้าของติดหนี้ก็ไม่รู้ตัวนะนี่นี่ก็มีเงินอยู่ 20,000 บาทนี่ขอละแสนนึงมันก็อย่างนี้แหละที่จะห้ามด้วยใครเลยจนกระทั่ง อ๋อเข้าใจคือมันไม่ให้ละแต่ตอนเราจะอยู่บ้านอะไรบ้านกันทกศีลารามเนาะครับบ้านบ้านบ้านคันแท้เข้าใจบ้านกันแท้หนองสูงบ้านกันแท้ใกล้ๆกับบ้าน ถ้าให้ไอ้คงจะรีบมาล่ะครับไหนจะฟังวิทยุเนี่ยว่าลุงตาถ้าให้จะรีบมาไวๆล่ะครับเออถ้าจะบอกว่าคงจะรีบมาให้ตัดคงออกอ่ารีบมาเลยให้มารีบมาจะให้ พระอาจารย์อ่อนศรีจิตธัมโมเจ้าอาวาสในองค์หนึ่งกับพระเหลียนชัยเอ่อพระปัญโญ 2 องค์ครับอาจารย์อ่อนศรีครับวัดกันตศิลปาวาสครับ 2,000 บาท มีกันอยู่ 2,000 บาทแล้วแต่ขอเรา